คำขอติทยปริวาสและกรรมวาจาให้ติทยปริวาสท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีชื่อนี้เคยเป็นอัญญาเดียรถีฝังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ท่านผู้เจริญข้าพเจ้านั้นขอบริวาสสีเดือนต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เธอขอปริวาสสีเดือนต่อสงถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาสสีเดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญาเดียรถีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญาเดียรถี วังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เธอขอปริวาทสี่เดือนต่อสงฆ์สงให้ปริวาสสี่เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญะเดียร์ถีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาทสี่เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญญาเดียรถ์รยรรยญญยรถีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวง ปริวาสสี่เดือนสงให้แล้วแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นัญญาเดียรถีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ 87. ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้เคยเป็นัญญาเดียรถีเป็นผู้ปฏิบัติให้สงยินดีอย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติมีให้สงยินดีอย่างนี้